โสดบัณฑิตทูลพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนางนันทาเทวีเสด็จไปแล้วจากอุโมงค์นี้เป็นผู้มีพระสรีราพยบอันงามศัพ์มีพระโสณีควรเปรียบกับแผ่นทองคาธรรมชาติมีปกติตรัสประพาสไพระเสนอดังเสียงลูกหงข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนางนันทาเทวี อันข้าพระองค์นำเสด็จออกไปจากอุโมงค์นี้เป็นผู้มีสรพางงามหน้าทัศนาทรงพระภูษาโกสยมีพระรูปอัมภัยดุจสวรรสายรัดพระองค์นั้นก็งามทำด้วยการชนะวิจิตมีพระบาทสดใสพระโลหิตขึ้นแดงอันถแถลงเป็นจักกรยานีชี้ไว้เป็นแบบด้วยสามารถแห่งพระชวี พระมังสาพระเกษาพระเส้นเอ็นและพระอัถิงามดีมีสายรัดพระองค์แก้วมณีแก้มสุวรรดวงพระเนตรนั้นเปรียบกับตานกพิราบมีพรสรีระภาพอันโศภาริมพระโอทแดงดุดผลตำลึงสุกก็ปานกันมีบั้นพระองค์บางอย่างจะรวบกำรอบทีเดียว มีบั้นพระองค์เล็กเรียวดุจเท้านากระดาเกิดแล้วดีและดุจการชนะพิีพระสพของพระนางนันทาเทวียาวดำปลายช้อยเล็กน้อยดุจปลายมีดพระนางเจ้านั้นมีดวงพระเนตรเื่งราวกะดวงตาแห่งลูกมรึกหนึ่งขวบเกิดดีแล้วหรือดุจเปลวเพลิงในเหมมันตรดู แม่น้ำใกล้ภูผาหรือหมู่ไม้ดาระดาดไปด้วยไม้ไผ่เล็กๆย่อมงดงามฉันใดเช่นพระโลมาชาติก็อ่อนงดงามฉันนั้นพระนางมีพระเปล่างามดังงวงกุญชอนงามมีพระถันยุคนดังคู่ผลมาพลับทองงามเป็นที่หนึ่งมีพระสันถานพึงพอดีไม่สูงนักไม่ต่ำนัก พระโลมาของพระนางเจ้านั้นมีพองามไม่มากเกินข้าแต่พระองค์ผู้มีพาหะสมบูรณ์ด้วยสิริพระองค์ทรงยินดีด้วยการที่วงศ์คตของพระนางเป็นแน่ข้าพระองค์และพระนางนันทาเทวีจะไปสู่สำนักยมราชเป็นแน่พระเจ้าจุลณีตรัสว่าเจ้ารู้เลขกลอนอันเป็นทิพย์หรือเจ้าได้ทำอุบายบังตา ในการที่เจ้าปล่อยพระเจ้าวิเทหราชผู้เป็นศัตรูของข้าซึ่งตกอยู่ในเงื้อมมือข้าแล้วพระมหาสัตตุลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ย่อมบรรลุเลขกกลนันเป็นทิพย์บัณฑิตชนผู้มีความรู้เหล่านั้นจึงปลื้มตนจากทุกได้เราโยธารุ่นหนุ่มเป็นคนฉลาด เป็นทหารขุดอุโมงของข้าพระองค์มีอยู่พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปกรุงมิถิลาโดยทางที่ทหารเหล่านี้ทาไวเชิญเถิดพระเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงที่ได้สร้างไว้ดีแล้วงามรุ่งเรืองด้วยระเบียบแห่งกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบซึ่งสําเร็จดีแล้วตั้งอยู่ พระเจ้าจุลณีตรัสว่าเป็นลาบของชาววิเทหะหนอคนที่มีบัณฑิตผู้เช่นนี้เหล่านี้เช่นท่านมหสดอยู่ในเรือนในแว่นแคว้นข้าจะให้เครื่องเลี้ยงชีพการบริหารเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จเพิ่มขึ้นสองเท่าและให้โภคสมบัติอันไพยบูรณ์อื่ น, นๆเจ้าจงใช้สอยสิ่งที่ปรารถนาจงรื่นรมเถิด อยา ก, กลับไปหาพระเจ้าวิเทหราชเลยพระเจ้าวิเทหราชจะทำอะไรได้พระมหาสัททุลว่าข้าแต่พระมหาราชาผู้ใดสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ผู้นั้นย่อมถูกตนเองและผู้อื่นติเตียนทั้งสองฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระชนุนอยู่เพียงใด ข้าพระองค์ไม่พึงเป็นราชบุรุษของพระราชาอื่นเพียงนั้นข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ใดสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ผู้นั้นย่อมถูกตนเองและผู้อื่นติเตียนทั้งสองฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชยังทรงดำรงพระชนอยู่เพียงใดข้าพระองค์ไม่พึงอยู่ในแว่นแคว้นของพระราชาอื่นเพียงนั้นพระเจ้าจุลนีตรัสว่า มโหสดบันดิตข้าให้ทองหนึ่งพันนิกะและบ้านแปดสิบบ้านในแคว้นกาสีแก่เจ้าข้าให้ทาสีสี่ร้อยคนและภรรยาหนึ่งร้อยคนแก่เจ้าเจ้าจงพาเสนาขณิกกรทั้งปวงไปโดยสวัสดีเถิดพวกเจ้าจงให้อาหารแก่ช้างและม้าเพิ่มเป็นสองเท่าเพียงใดจงเลี้ยงดูกองรถและกองราบให้อิ่มห น, นำด้วยข้าวและน้ำเพียงนั้น พ่อบัณฑิตเจ้าจงพากองช้างกองมา้ากองรถกองราบไปขอพระเจ้าวิเทหะมหาราชจงทอดพระเนตรเห็นเจ้าคู่ไปถึงกรุงมิถิลาพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามอาจารย์ทั้งสี่ว่าเจนาคือกองช้างกองมา้ากองรถกองราบนั้นปรากฏมากมายเป็นจัตุรงคขินีเสนาที่น่ากลัว บัณฑิตทั้งหลายสาคัญอย่างไรหนออาจารย์เสน ก, กะกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าความยินดีอย่างสูงสุดย่อมปรากฏเฉพาะแต่พระองค์มโหสถพากองทัพทั้งปวงมาถึงแล้วโดยสวัสดีพระเจ้าวิเทหราชทรงยินดีร่าเริงตรักสกับมโหสถบัณฑิตว่า คนสี่คนนำคนตายไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วกลับไปฉันใดพวกเราทิ้งเจ้าไว้ในกับปิลรัตแล้วกลับมาในที่นี้ก็ฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าเปลื้องตนพ้นมาได้เพราะเหตุอะไรเพราะปัจจัยอะไรหรือเพราะผลประโยชน์อะไรพระมหาสัตว์กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระจองวิเทหรัต ข้าพระองค์ป้องกันประโยชน์ด้วยประโยชน์ป้องกันความคิดด้วยความคิดพระเจ้าค่าใช่แต่เท่านั้นข้าพระองค์ยังป้องกันพระราชาดังสาคนกั้นล้อมชมพูทวีปไว้ฉะนั้นพระเจ้าจุลนีพระราชทานทองหนึ่งพันนิขะบ้าน80บ้านในแคว้นกาสีทาสีสี่รคนและภรรยาหนึ่งรคนแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้พาเสนางคณิกกรของข้าพระองค์ทั้งหมดมาในที่นี้โดยสวัสดีพระเจ้าวิเทหราชทรงเปล่งอุทานว่าแน่เสนกาการ์จาการอยู่ร่วมด้วยเหล่าบัณฑิตเป็นสุขดีหนอเพราะว่ามโหสดปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือข้าศึกดุดบุกคนปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงหรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในไข่ฉะนั้น อาจารย์เสนกะกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายนำความสุขมาแท้จริงอย่างนี้ทีเดียวมโหสถปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือข้าศึกดุจบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงหรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในไข่ฉะนั้นพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าชาวเมืองซึ่งนับว่าเกิดในแคว้นมคต จงดีดพินทั้งปวงจงตีกลองเล็กกลองใหญ่และมโหระทึกจงพากันโหร้องบรรลือเสียงให้เสง่แซ่พวกฝ่ายในพวกกุมารพ่อค้าพราหมณ์กองช้างกองมา้ากองรถกองราบชาวชนบทและชาวนิคมร่วมกันนำข้าวน้ำเป็นอันมากมาให้แก่มโหสถบัณฑิตชนเป็นอันมากได้เห็นมโหสถบัณฑิต กลับมาสู่กรุงมิถิลาก็พากันเลื่อมใสครั้นมโหสถบัณฑิตถึงแล้วก็โบกผ้าอยู่ทั่วไปมโหสถชาดกที่ห้าจบ Thank you.